Bye.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 อธิษฐานจริงๆแปลว่าลงมือกระทำด้วยความตั้งใจมั่นอย่างเช่นอธิษฐานภรรษานี้ก็อธิษฐานว่าตั้งใจจะอยู่ในพรรษาให้ครบสมเดือนอยู่ในวิหารอยู่ในอาวาสอาวสเเอวาสเเออาวาส อ, าา อ, าาอธิษฐานตั้งใจว่าจะอยู่ในอาวาสให้ครบสมเดือนโดยจะไม่ไปค้างแรมที่ไหนถ้าไม่มีกิจจำเป็นพวกเราซึ่งเป็นคารวาดแม้ว่าจะครองเรือน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 โทรศัพท์มือถือพรนศ า, านี้จะใช้แค่วันละครึ่งชั่วโมงนะไม่เกินนี้หรือว่าจะเล่นอินเทอร์เน็ตจะเล่นเกมออนไลน์ไม่เกินวันละ1ชั่วโมงนะอันนี้ก็ได้หรือว่าสองชั่วโมงก็ได้หรือว่าเล่นมา4ชั่วโมงต่อคื น, นต่อวันก็ลดมาสักหน่อยเพราะพวกนี้ก็เป็นอบายามุกอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวนี้อบายามุกในสมัยนี้ยุคบริโภคนิยมมันมีหลากหลายมากการเที่ยวห้าง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 เว้นแต่เวลานอนไม่ได้โทรเวลากินก็ยังโทรอันนี้เราเป็นอบใบมุกเพราะมันติดซะแล้วก็ใช้ช่วงขา้าวรรษานี่แหละลดละทำ ไ, ได้นะของพวกนี้เนี่ยจะใช้คําว่าทําอย่างทําให้ดีที่สุดเดี๋ยวนี้หลายคนนี่ก็บอกว่าฉันจะทําให้ดีที่สุดแต่ไม่ได้บอกว่าที่สุดนี่แปลว่าอะไรอธิฐานภ ร, รษาเนี่ยเตือออธิฐานแล้วก็ตามถ้าจะให้ได้ผลต้องกําหนดหมายชัดเจนอย่างเช่นพระอธิฐานราษาก็บอกว่าสามเดือน ไม่ใช่เพราะว่าฉันจะทำให้ดีที่สุดแต่ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรอย่างเช่นถ้าเราจะลดละเรื่องการช้อปปิ้งก็ต้องบอกเลยว่าเออพรรษานี่จะไม่ไปเลยหรือไม่ก็เดือนละครั้งหรือว่าติดโทรทัศน์ติดละครก็บอกว่านี่จะดูโทรทัศน์แค่คือละหนึ่งชั่วโมงหรือคือละสองชั่วโมงก็ว่าไปมันต้องมีตัวเลขที่ชัดเจนหรือต้องมีกาหนดหมายที่ชัดเจนไม่ใช่เพราะว่าฉันจะลดละแอบแฝให้ดีที่สุด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 แปลว่าทางที่ถูกไม่ใช่ทางที่ผิดนะไม่ได้แปลว่าพอดีพอดีคําว่าพอดีพอดีเนี่ยมันมีคำหนึ่งใช้คําว่าสมะเนะีเช่นถ้ามีความเพียรแต่พอดีเรียกว่าวิริยะสมะตาขี้เกียดนี่ก็ไม่ใช่หรือว่าหักโหมมันก็ไม่ใช่ไม่พอดีส่วนใหญ่เรามักบอกว่าขยันแต่พอดีพอดีคือว่าให้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 รียว่าทางสุดโตงก็คือการหมกมุ่นมัวเมาในกามและก็การทรมานตนอย่างที่บอกไว้แล้วเมื่อวานว่าคนทั่วไปเนี่ยก็มักจะเกี่ยวข้องผัวพันกับทางสุดโตงทางสุดโตงไม่ใช่เป็นเรื่องของคนที่เมาหัวหลาน้ำ้ำเอาแต่เที่ยวไม่หยุดไม่หย่อนหรือว่าพวกที่เป็น โยคยีทรมานตนกดอาหารกินอาหารวันละสองสเม็ดข้าว 2-3 สเม็ดหรือว่านอนบนตะปูถ้าเราเข้าใจอย่างนั้นก็จะเข้าใจว่าเราไม่ใช่คนเหล่านั้นแต่ที่จริงคนทั่วทั่วไปนี่ส่วนใหญ่ก็มักจะคลองแวะอยู่กับทางสุดตรงอย่างที่ได้ยกตัวอย่างว่าคนที่เพลิดเพลินในกามยินดียินร้ายเวลาได้ประสบอารมณ์ที่ น่าพอใจก็มีความยินดีกินอ า, าอาหารอร่อยก็เพลิดเพลินได้รับคำชมก็เพลิดเพลินในคำชมนั้นพอถูกตำหนิก็เก็บเอามาคิดครุ่นอันนี้ก็เรียกว่าข้องแวะทางสุดโต่งยินดีในคำชมในอาหารที่อริดอร่อยในเพลงที่ไพเราะจนลืมตัวบางคนดูนิยายจนลื ม, ลมเวลาดูละครจนลื ม, ลมเวลานอนหรือเพลิดเพลินในเกมอินเทอร์เน็ต อันนี้ก็เรียกว่ามัวเมาในกามคนที่ถูกตำหนิก็เก็บเอามาคิดโกรธใครก็เอานึกถึงหน้าของคนนั้นไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางกินก็คิดนอนก็คิดจนนอนไม่หลับบางทีเขาก็ตำหนิเรื่องเล็กๆน้อยๆนะเราก็เก็บเอามาคิดยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์แต่ทุกข์ก็ไม่ยอมวางเศร้าโศกเสียใจเ พ, พ, พราะพัดพราดสูญเสียของหายหรือว่า คนลักตายจากไปก็ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางก็ยังคิดยังหัวนึกถึงอดีตนะที่เคยมีเขาอยู่ที่เคยมีสิ่งเหล่านั้นอยู่นึกเสียใจขึ้นมาหมกมุ่นคุนคิดอยู่ในเรื่องที่ทำให้ทุกข์นะไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางอันนี้ก็เรียกว่าทรมานตนได้เหมือนกันเป็นทางสุดโตง่งนั่นคนเราเวลาเจออะไรเนี่ยเจอสิ่งที่เป็นบวกก็มักจะเข้าไปเพื่อเพลินยินดีอันนี้ก็เรียกว่าสุดโต่งแล้วหรือว่าเจอสิ่งที่ไม่ดี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 นึกว่าฉันนี้นะเป็นคนที่มีความสามารถจะทำอะไรก็ได้หรือมีความเก่งกล้าสามารถว่าหลงไหลเพลิดเพลินในความเก่งกล้าสามารถนั้นคิดว่าตัวเองแน่คิดว่าตัวเองเก่งใจที่เพลิดเพลินกับการมีนะไม่ว่าจะมียศมีทรัพย์มีชื่อเสียงมีความเก่งกล้าสามารถพวกนี้เนี่ยพอเพลิดเพลิน้าไปก็เท่ากับว่าหมกมุ่นพัวพันในกามแล้วนะเป็นทางสุดตรง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 อันนี้เลยว่าทรมานตนคือมันมีทุกข์กายอยู่แล้วเนี่ยแต่ก็ยังเอาความทุกข์ทางใจเข้ามาทับถมตัวเองไม่ว่าทรมานตนไปไหนก็เอาแต่คิดเรื่องนี้ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางเป็นการทําร้ายตัวเองเป็นการเอาทุกข์มาท่วมทับตัวเองก็จะเห็นได้ว่าคนเหานี้ทรมานตนอยู่บ่อยๆเหมือนกันนะโดยเพราะทรมานที่ใจสมัยนี้ไม่ค่อยทรมานที่กายมันไปนทรมานที่ใจแทนก็เป็นเล่ากันทั้งนั้นแหละ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 เราก็ต้องพยายามรักษาชีวิตจิตใจให้อยู่ในทางสายกลางที่จริงทางสายกลางเนี่ยมันมีหลายความหมายมันมีหลายอิทธิหลายระดับอะไรที่มันไม่ใช่ทางสายกลางนี้ไม่ใช่มีแค่การสุขคุิการนิโยโญหรืออัตักหรือมรรานิยคผู้ยานี่คือว่าทางสุดตรงเนี่ยมันไม่ได้มีแค่การทรมานตนและการผัวพันในกามความคิดความเชื่อบางอย่างมันก็ถือว่าเป็นทางสุดตรงได้เช่นเชื่อว่า มีตัวตนที่ยังยืนอ น, นี้เรียกว่าสัะตตทิฐิมีตัวตนที่ยั่งยืนตายไปแล้วก็ยังไปเกิดในร่างอื่นต่อไปเมื่อที่คนไทยจำนวนมากเชื่อพอตายไปแล้วก็ไปเกิดใหม่วิญญาณดวงเดิมแต่ไปเกิดใหม่ในร่างอื่นนะอันนี้เรียกว่าสัะตตติฐิก็เป็นทางสุดโตง่งไม่ใช่ทางสายกลางคือมันผิดอีกอันหนึ่งคืออุเชฐทิทิก็คือไปคิดว่าตายแล้วศูนหมดลวมทุกยอดศูนย์ไปเลยไม่เหลืออะไรเลย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 สังขารวิญญาณไปถึงนำรูปผัสสะไสตนะโนนไปถึงตันหาอุปทานพบชาติเวล า, าท่าอธิบายทัางก็อธิบายอย่างนี้คือว่ามันมีเหตุถึงทุกข์นะไม่ใช่ว่าเราทาหรือว่าคนอื่นทมเหตุนั่นก็คือตัวกิเลสตัววิชานั่นเองคราวนี้เนี่ยก็อยากจะพูดต่อไปว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องทางสายกลางเนี่ยนะมันก็จะาทาให้เราดาเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องในทางที่ ไม่ปิดไม่พลาดที่บอกบอกไว้แล้วว่าทางสายกลางเนี่ยมันมีความหมายที่หลากหลายมากนะยางหยาบๆยบก็อย่างที่ว่าก็คือว่าไม่ใช่ทางที่เป็นการทรมานตนและไม่ใช่เป็นทางที่เป็นการพัวพันในกามถาลาะเอียดหน่อยก็เป็นเรื่องการไม่ยินดีเมื่อได้เจอหรือมีสิ่งที่น่าพอใจหรือได้เสพอารมณ์ที่ทำให้เกิดสุขเวทนาขึ้นแล้วก็ไม่ยินร้ายเมื่อเจออารมณ์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 นี่เราเวียงไปในทางสองทางอยู่เสมอคือยินดียินไล่ไม่ได้มีความพอดีหรือว่าผู้อย่างนี้คนไม่มีความเป็นปกติในจิตใจถ้าคนที่อยู่ในทางสายกลางมีสติมีปัญญาเขาก็จะวางจิตไว้อยู่ตรงกลางกลางกลางคือว่าไม่ยินดีไม่ยินไล่นะแม้จะเจอสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาก็สามารถที่จะมีจิตตั้งมั่นอยู่ได้เป็นปกติในทางพุทธศาสนาเนี่ยเราไม่ได้ เราไม่ได้ปฏิเสธนะสิ่งที่มันเป็นความสุขนะสิ่งที่เป็นความสุขแม้ทั้งความสุขทางกายก็ไม่ได้ปฏิเสธกินอาหารอร่อยก็ไม่ได้ปฏิเสธอาหารอร่อยนะอยู่ในที่เย็นสบายก็ไม่ได้ปฏิเสธที่เย็นสบายเพียงแต่ว่าอย่าไปยึดติดถือไปเพลิดเพลินหลงหลกับมันสิ่งที่เป็นความทุกข์ก็ไม่ได้ปฏิเสธนะเพราะบางครั้งความทุกข์มันก็ดีเหมือนกันมันสามารถช่วยทาให้เรา ฝึกฝนตนเข้มแข็งขึ้นแต่ว่าอย่าไปเกี่ยวข้องกับมันแบบผิดผิดก็คือเอาความทุกนี้มาในทางพุทธศาสนาเนี่ยท่านแนะว่าให้เกี่ยวข้องกับความทุกข์และความสุขอย่างถูกต้องเกี่ยวข้องอย่างไรอย่างแรกคือว่าไม่เอาความทุกข์มาทับถมตนอย่างแรกเลยสําคัญที่สุดเลยคือไม่เอาความทุกข์มาทับถมตนเช่นเวลาป่วยเนี่ยเราป่วยกายแล้วเนี่ยจะไปป่วยใจด้วยคนส่วนใหญ่นี่ไม่ได้แค่ป่วยกายยังอย่างเดียวป่วยใจ เวลาป่วยนี่ก็กลุ้มกกลุ้มใจหรือกลัวตื่นตระหนกมีคนหนึ่งไปโรงพยาบาลไปหาหมอนี่เป็นชาวบ้านไปแล้วไปเล่าท้ายวันหนึ่งหมอก็บอกความจริงว่าเนี่ยป้าเป็นมะเร็งนะอยู่ได้ไม่เกิน3เดือนอยู่ได้แค่12วันก็ตายที่ตายนี่ไม่ใช่เพราะก้อนมะเร็งนะแต่เพราะใจอย่างนี้เราเอาความทุกข์มาทับถมตนเพราะว่าใจมันคิด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 แต่ส่วนใหญ่ก็เสียของไม่พอต้องเสียใจด้วยนี่เราเอามาทับถมตนของหายนี่เราไม่ไ ม, มีใครที่จะบังคับควบคุมไม่มีใครที่ประกันได้ว่าจะไม่มีของหายนะแต่ว่าเรื่องการรักษาใจไม่ให้มาเสียอกเสียใจนะั่นมันทําได้ถ้ามีสติกประการแรกอย่างอย่างแรกเลยเนี่ยต้องไม่เอาทุกมาทับถมตนอันที่2อคือว่าไม่ปฏิเสธความสุขที่ชอบทำํำความสุขอะไรที่ชอบทํำเนี่ย นะที่ได้มาด้วยน้ำพักน้ําแหลงเราก็ไม่ปฏิเสธนะพุทธศาสนาไม่ได้ปฏิเสธนะเช่นเราทํามาหาเงินมาได้เราก็ได้สิ่งอำนวยความสะดวกเครื่องอำนวยความสะดวกมีพัดลมมีตู้เย็นมีบ้านที่อบอุ่นเย็นสบายเราก็ไม่ปฏิเสธไม่ใช่ว่าต้องไปปฏิเสธมันทําตัวอย่างตันีทีเหนียวไม่ใช่สุขใดที่ได้มาโดยชอบทำก็ไม่ปฏิเสธอย่างเช่นพระนี่หรือว่าใครก็ตาม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 ให้คนส่วนให ญ, ญม่มักจะติดติดในความสุขที่ตัวเองมีอย่างที่บอกไว้แล้วนี่ก็คือทางสุดโตง่งต้องเป็นอิสระต้องรักษาใจให้เป็นอิสระจากสิ่งนั้นให้ได้นอกจากรักษาจใจเป็นอิสระแล้วก็ต้องพยายามภาคเพียรเพื่อให้ได้สุขที่ยิง่งยิ่งขึ้นไปหรือพูดง่ายๆว่าเพื่อให้ความทุกข์มันหมดสิ้นไปนี่เป็นข้อที่4ีคนเรานี่ที่เรารักษาใจให้เป็นอิสระจากการมาสุขเพื่อว่าจะได้เข้าถึงสุขที่ประณีตยิงย่งยิ่งขึ้นไปเป็นสุขที่อยู่เหนือสุข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 จำนวนมากเนี่ยมักจะติดข้อที่หนึ่งกับติดข้อที่สามคือว่าเอาทุกมาพ่วงทับตนเองแล้วก็หมกมุ่นในความสุขซึ่งก็เป็นทางสุดโต่งอย่างที่พูดไปแล้วนี่คือเหตุผลที่เราต้องมาฝึกจิตฝึกใจของเราให้เกิดสติให้เกิดปัญญาขึ้นมาเพราะการฝึกจิตฝึกใจให้เกิดสติและปัญญานี่แหละที่มันจะเป็นทางที่นาเราไปสู่ความพ้นทุกข์ได้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 มีทุกสมุทรทยนิโรธมากท่านยังบอกต่อไปว่าจะเกี่ยวข้องกับมันอย่างไรเรื่อกิจในอริยสัจส่วนใหญ่คนไทยเรารู้จักแต่ว่าอริยสัจสี่ว่ามีทุกสมุทรไทยนิโรธมากถามก็ตอบได้แต่มักจะไม่ค่อยรู้หรอกว่าควรจะเกี่ยวข้องกับอริยสัจสี่แต่ละข้ออย่างไรบ้างการเกี่ยวข้องกับอริยสัจแต่ละข้อหรือว่ากิจในอริยสัจทุกข้อแรกนจะต้องเกี่ยวข้องกับมันอย่า ง, างไรก็คือต้องรู้ทุกไม่ใช่ดับทุกนะดับที่ต้องไปดับที่ตัวสมุทรไทยทุกนี้มีไว้เพื่อรู้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 เวลากรุมก็ไม you ่รู้ตัววกรุ้มเวลาโกรธเนี่ยใจทําไมถึงไม่รู้ตัวว่าโกรธเพราะใจมันคิดแต่จะตอบโต้หรือใจมันเอาแต่บ่นเอาตะกล่นด่าว่าทําไมถึงต้องเป็นชั้นทำไมต้องเป็นชั้นเวลาเกลียดใครเนี่ยใจมันเอาแต่คิดหาทางตอบโต้หาทางกล่นด่าคนที่เราเกลียดจนลืมกลับมาเห็นตัวเองกลับไม่เห็นใจก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองนี่กําลังโกรธอยู่คนเราทุกนี่ไม่รู้ว่าทุกข์นะเวลาทุกข์เพราะความป่วย ทุกข์เพราะความเจ็บความไข้เนี่ยก็ยังไ่คิดว่าที่ทุกข์นี่เพราะว่าความป่วยความไข้แต่ไม่ได้ดูว่าไอ้ที่ทุกข์จริงๆคือทุกข์ใจไม่ได้ทุกข์กายไปคิดว่าโอ้โครคภัยไข้เจ็บมาทําให้ฉันทุกข์แต่ไม่ได้เห็นเลยว่าจริงๆไอ้ใจตัวเองต่างหากที่มันสร้างความทุกข์ให้แก่ตัวเองอันนี้ก็เรียก ว, ว่าไม่เห็นทุกข์เหมือนกันนะไม่รู้ทุกข์ไม่เห็นทุกข์เพราะเวลาถูกความทุกข์คร่อบงำแล้วเนี่ยใจมันมืดใจมันบอด กือมืด8ด้านคนเรากลุ่มอกกลุมใจในมืด8ด้านมันก็เลยไม่เห็นอะไรไม่ใช่แค่ไม่เห็นทางออกอย่างเดียวนะไม่เห็นหรือไม่รู้ว่าตัวเองกำลังทุกข์ด้วยไม่เห็นความทุกข์ไม่รู้ทุกข์นีส่สติถึงสําคัญสติถึงสําคัญมากเพราะว่าจะทําให้เราได้รู้ว่ากําลังทุกข์แล้วก็เห็นทุกข์ด้วยเนี่เพียงแค่คอแลกนี่คนเราก็ทําได้ยากแล้วเพราะว่าถูกความทุกข์มาเล่นงานจนเมาจนมืดบอด แต่ถ้าเรามีสติตนี่เราก็จะหลุดออกมาจนเห็นว่าโอ้คือรู้ตัวผูดง่ายๆ ร, รู้ตัวกํากลังทุกข์อยู่รู้ตั ว, วกำลังโกรธอยู่รู้ตั ว, วกำลังเครียดอยู่และถ้ารู้ต่อไปมันก็จะรู้เห็นว่าไอท้ที่ทุกข์ที่โกรธเนี่ยมันไม่ใช่เรานแต่มันเป็นกายหรือใจเวลาเครียดใหม่ๆนี่ก็ไปคิดว่าฉันเครียดฉันเครียดเวลาโกรธก็ไปคิดว่าฉันโกรธอันนี้ก็ยังดีนะดีกว่าที่ไม่รู้เลยแต่ถ้ารู้ให้ดีก็จะเห็นว่า ไอ้ที่โกรธที่เกลียดที่เครียดนี่ไม่ใช่เราแต่มันเกิดขึ้นกับใจของเราต่างหากมันเป็นใจที่ทุกข์มันเป็นใจที่โกรธมันเป็นใจที่เครียดแต่ไม่ใช่เราโกรธไม่ใช่เราทุกข์ไม่ใช่เราเครียดและถ้าเห็นตอบไปก็จะเห็นแล้วโอ้มันเกิดขึ้นที่ใจก็จริงอาการเหล่านี้มันเกิดขึ้นที่ใจก็จริงแต่มันเป็นคนละส่วนกับใจมันคนละส่วนกับจิตแต่เพราะจิตมันไปยึดต่างหากมันก็เลยทุกข์การเห็นมันก็จะละเอียดประหนี่ไปเรื่อยๆ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 อูแห้งผมแตกปลายบางที่ก็ทุกข์เพราะเพื่อนก็ไม่ชื่นชมยินดีเราทุกข์เพราะงานบางที่งานสบายแต่ก็ทุกข์อยู่บนรถอยู่บนถนนก็ทุกข์เพราะรถติดเช่นทั้งที่อากาศในรถเย็นสบายฟังเพลงเพราะแต่ก็ยังทุกข์เวาทุกข์ที่กายไม่เท่าไหร่แต่ทุกข์ที่ใจนี่เยอะสติที่ทําให้เราเห็นเราเห็นว่าโอ้ไอ้ที่ทุกข์นี่ทุกข์ที่กายมันทุกข์ที่ใจ มันไม่ใช่เราทุกข์แต่มันเป็นกายหรือใจที่ทุกข์แล้วก็เห็นต่อไปว่าโอ้ให้ทุกข์ที่ใจจริงๆไม่ใช่หรอกมันเป็นอีกตัวหนึ่งอังหามันเป็นตัวอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจและใจก็ไปยึดมันก็เลยเป็นทุกข์แต่ถ้าใจไม่ยึดมันก็คนละส่วนก็จะว่ามันเป็นคนละส่วนกันอารมณ์ก็อันหนึ่งใจก็อันนึงถ้าไม่มีสติมันก็เข้าไปยึดใจก็ไปแบกเอาไว้แต่ถ้ามีสติใจก็วาง เห็นความเครียดเกิดขึ้นที่ใจเห็นความทุกข์ที่ใจแต่ใจไม่ทุกข์แล้วนะทีนี้เห็นความโมโหเกิดขึ้นที่ใจนะแต่ใจไม่ทุกข์ลวมันเป็นคนละส่วนกันนี่จะได้การรู้ทุกนี้มันมันรู้ได้ละเอียดนะรู้ได้เป็นลําดับเป็นขั้นเป็นตอนและการที่คนเราจะหลุดจากความทุกข์ได้มันต้องเห็นตรงนี้ความคือต้องรู้ทุกข์ก่อนในความหมายอย่างที่ว่ามาที่จริงยังรู้ได้ละเอียดกว่านั้นนะแต่ว่าเอาเท่านี้ก่อนเพราะว่า พูดเท่านี้หลายคนก็งงแล้วแต่เอาเป็นว่าอย่างน้นนอยๆเนี่ยเวลาทุกข์ก็ให้รู้ตัวว่ากําลังทุกข์อยู่ก็แล้วกันแคนะ่ว่าจมอยู่ความทุกข์จกนกระทั่งลืมตัวนะลืมตัวแล้วก็เลยลืมใจไปด้วยเดี๋ยวนี้เป็นคนเรา เ, าเวลาเจอความทุกข์มันก็ลืมตัวเจอความสุขก็ลืมตัวลืมทั้งกายลืมทั้งใจเพราะว่าไปพัวพันอยู่ในสุขหรือว่าไปหมกมุ่นอยู่ในุกุนะ๊กถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เนี่ยอริยสัจสี่ ทางสายกลางหรือว่าปฐมเทศนาเนี่ยมันก็จะมีความหมายกับเราถ้าเราไม่เข้าใจก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่ต้องท่องจําเอาไว้สอบหรือเอาไว้พูดเพื่อแสดงว่าฉันเป็นชาวพุทธฉันรู้ว่าปฐมเทศนานี่แสดงทำเรื่องอะไรหรือว่าถ้าเป็นชาวพุทธเราก็ต้องมาวัดเพื่อมาเวียนเทียนในวันอาสาฬหะมาคะวิสาขะแต่ไม่รู้ความหมายว่าทําไปเพื่ออะไรรู้แต่ว่ามันเป็นประเพณีที่ชาวพุทธควรทํา